หายท่านเพื่อไปเพื่อขันเท้าว่าท่านหายท่านก็แก่รับข่านก็บฏได้ร้ายหายท่านเกิดความจําเป็นกับแก่รับข่านไม่ข้อห ม, ม า, ายอันเดียวกันกบฏได้หลายในทรงหายท่านเพื่อตอบแทนกบฏได้ร้ายเพื่อหวังค่วงตอบแทนหายท่านโดยท่านผู้มีบุญไม่คุ้นแกเห่านกักกระด้บุญหลายเจือกขันเท้าว่าหายว่าผู้ห้ต้องหายท่าน อันก็ไ่ได้อันน mm hmm. ี้สงหลายหายท่านเพื่อได้มนุษย์สมบัติต่นกันมีอันนี้สงอยู่คำวาได้หลายหายท่านเพื่อได้สวรรค์สมบัติอันนั้ก็ไม่สูงมีอันนี้สงอยู่กลัวมนุษย์ไปหายท่านเพื่อได้อยากได้พุ่มสมบัติก็นมีอันนี้สงไปอีกหายท่านเพื่อรูกแจ้งแทงตลอดว่าคนจะพลานอันนั้นได้อันนี้สงหลายประมูลขอหน่อยก็ได้หลายอันทำมัน ผู้ medicine, รับบริสุทธกับผู้หาย้าตุบริสุทธิ์ผลแห้งได้หลายอันนั้นรักษาเสีนพาหนาคือกันว่าเจ้าหงจักอันนั้นเนี่ยอันเดียวกันโรคาทิ่พตยเห็นเขาเห็ดกัเห็ดนำเขาอัตราที่พตายพเห็นตนเป็นไงกับบริสหลายท่านบุญโรคาที่ไตยเห็นเขาท่ากับท่าไปน้าเขาขัน่าทําญาติเขาตีเตียงอันนั้นก็าบริสุทลถ้ามาที่พรตายทําตามทถ้ามาได้สร้างหาย่าตรักษาเสีนพาวนาหวังเพือผลทุกในวันตาสงสารญาต้มาเกิดแก่ก็บสายหน้านย อันนั้นในบุญหลายขโมย่ะเมืนะ่อเฉยท่านผู้ตุชนคนหนาเมื่อเฉยท่านผู้บุไม่ศิลกันยังในบุญหลายอยู่ในบุญหลายเพราะเกล็ดตามัถึงโลกพุทธละนะให้ท่านคองดิบก็บว่าได้บุญหลายให้ท่านแกาาพ้พระผู้ทรงให้ท่านในจีบอนบินธบาตเฉนาสนกิโยท่อาศัยเฉนาสนกิโยที่อาศัยห น, น, นี่งในอเนกสงฆ์มากกว่าหัแนวผุ้หนึ่งให้ท่านกุตติหรือซาลา ผู้หนึงหายท่านเขาท่านน้ำราคขาวทอๆกันนี่สิสู่ผู้ให้ท่านกุฏิสลาว่าไรผลมาเลยเพราะอมิทธาตันในสู่หายท่านเสนาสนะบุไดอมิทธาตันในท่านเขาท่านน้ำเรียกว่าหาท่านกำลังในท่านผ่าพรท่อนสบายเรียกว่าท่านหาวันณะเป็นท่านอะไรในท่านดูยาเนั่นเขาเรียกว่าหายแค่ซัดเป็นท่านถึงมันจงไดนกระซางเถอมันก็ดีก็เข้ามาหายทักท่านเธอ มุขคลนผู้เกิดมากกขคนจนหามมสมพ่อใดกั บ, พ, กบพ่อใดหาสมพ่อนี่กับพ่อเนี่ยหาสมพ่อใดก็บ่ก็พออากาศจะฝากกา ร, ารขาดผลท่านผลผลผลทาาลล่านพน่ามุคคลนผู้มีอายุสั่ขาดผลศีลมีอายุเงาาีวกระช่างเจ้าหาเป็นโลกรู้รักษาชีลมาบริรบรรรสุทธิา์านเท่าคือรักษาศีลมาบริสุทธิ์แต่สาก่อนแค่าดนี่ก็คือขาดขานกขานูในต่ะกันมาบวด ข, าขา่าปูข่าปาครบหมดอย่างนี้ข่าเป็ขา่าไก่หมดเสันจะว่าเป็นคนชีโร่จะอายุยืนเือนก่หรอเป็ดชีก็บว่ยืนเหมืนเนี้ยไส ม, มุนอย่างไม่ถึงบบ็ดชีบนักสักศีลมึงเท่าไหรนักสักศีตามธรรมชาธิปรืยว้าเพื่อคนทุกข์นะว่าต้าสงสารที้เลุกติจินตนะครับชี้ลยนโพคสัมปทาทุกคลควรจะเป็นเป็นสุข ตายโชไก่กระเพาะด้วยศีลนะสุตติจาระโลภัยไขรเช็บกระเพาะศีลรัเบียดเบียนมากผมมีศีลบริสุทธิ์เชียได้นะพวอสามรธาศีลไม่พกข้าสมบัติช่างภายนอกภายในกระเพาะศีลเชียได้นี่พุทิยันติไปถึงพระนิพ่านกระเพาะศีลเป็นอุปนิสัยไปถึงพระนอ่านกระเพาะศีลกระเพาะท่านเข่ากันท่านอันนี้สองท่านอฉโยอนุขามโย ถ้าเกิดมาในพบใดท่ามใดก็ไม่มีใครจะประจดได้อัจวชยโยแปลว่าไม่มีผู้ใดประจดได้อนุภามิโยมหาจากรรมนีเยสุเอตังอาตายจักจติอสัรณะมันเ ย, ยสังผู้มีท่านมีศีลมีภาวหน้าบ่าเป็นของสาธารณะไปสจปาธนาพระวัจเจศอะไรวัจเจศข้อที่าภูมิเจปาธนาพุทธภูมิอไรเจปาธนาอรหันต์ีนาทกาอะไรเกิดบ้านพระศาสนาบ สวรนาตาสุสารตาสุสันตานังสุรูปตตาอธิปัจจังปฏิวารโรกทั้งมีบริษัทบริวารมีหกสมอันมอดกี่ลายสี่เลจนเกินไปนะครับบราวาร่ชงผดมุจำผดมุอ่อนผดมุพี่ผดนะครับอธิปัยจังปฏิวารโลกมีบริษัทบริวารเนี่ยุคคลผู้หาาตุนี่ยมันเป็นคนขาดมูอขาดเพื่อกนี่ยช่างหาวัตถุสีอย่างานะสารให้ปันเกของของผู้อื่นกคนที่ควรจะันปิยวาจาวาาที่อ่อนหวานอัตตะจัญญาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แกผู้อื่น สี่สมาณตกตาควเป็นรพูนมีตัวเสมอไม่ซือตัวคุณสี่อย่างนี่เป็นเครื่องยึดเดี๋ยวน้ำใจของท่านผืนไว้ได้บวกลงโก่งโตเลยอันนี้พเ้าข้าพายุท่านฆราวาสเขาทิ่งออกไปแล้วพอต้องหากินไี่ขอบเขตถ้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพวกบวชฆราศการก็บสุสัมเน่าออกไปขันออกไปแล้วนึ่งข้าไปประพฤติกินเหลาซะเรียนโบกเลีนเบี้ยซะ ไปเลียนตบายยามุกซะไปเรียนสาวซะนี่เมียู่คดีไปเกลียกลก้ยซะมาหาจินท่ามาสอบท่ามคดีเพราะสมธนะเข้ามาบวชกับมาฐานวัดสมธนาขันเป็ น, นยังขันเพเห็นมันตางเพราะเห็นมันตางจากบวชมหาวิกายรซะยังสิริยังได้ไปปินป่นผู้เปลี่ยนท้ายเนาะเขาก็ดูถูได้วะพวกนี่ได้ไประโยชน์ทุกคนไนดะ้เพรมาบวชทั้งละเอีเนี่ นี altung, ่ยเป็นประโนสู้คนเน่วน้าปานี่เขาบอกินเหล่าตลอดเสมอเลยซื้ออกไป่าที่เห็ดน้องปูน้องปลาขายกขบอเห็ดหัวน้าปานี่เศราแล้วหัน้าปานี่หัวมีเสียงาบดบุนหัวหน้าปานี่พ่อกลางมอสุละซักหมนเลยพวกกินหอดเหล้าไร้พ้นชัวพวกสร้างรายละเอ็ดทร้งปีมาบวชมันก็เป็นทาตุจากกุ้ยเซียนีงล่ะที่จะออกไปเขาบกินเหล่ายยมากย้วยมากกินเหลาระว่า คุยเสียนย่านไทนได้หรอมาเฮ้าท่านท่านท่าเป็นคนใจย่านเมียหน้าเนีผามันหิวหูออกประเด็นโบกกัมโม่สิมันหิ้วหูออกหิ้วหูออกประตัยมันนะท่นตาย้มันไปวมันมันหมอบร้องขาผมหมอบวิววิวอะ่นหมอบร้องมึงยังขวดสิบอกพ่วงข้าหมันไปไหม่นเขว่าดึงเยอใช่ตายเลยวะมึงนั่งหอนนี้หละผัวมึงอย่ามารมณ์วพราันนั่งเนี่ มันก็ฟองมันก็เฮ็ดพว้ถือมันเฮ็ดอะไรบ้ถือมันมีอถือของเ๊คุณ่เาแต่เฮ็ดพวก้ถือคือถือดอกหหูออกแล้วอี้ตาสักทั้งคือตานกสูงลูเขานี่มันบยากเนี่ยนะหูออกจากพวกโบกว่าไรบักเสียนท่านยาสุกชวนมาเลียนโบกนํางมาเรียนยาสุกชุนมาเรียนไพ่ไม่อมมันเก่งเลยแถววะท่นเขาหอนบส่วนเดี๋ยวนี้ใครแต่เจ๊เดี๋ยวนี้ เศ้าแล้วอาสัตวอยากซื้อหัวหัวลงแล้วาสัตว์แต่คู่แต่พวกคู่มีประโยชน์หลายยอะปบอกปอกไปแล้วแต่ว่าคู่ใหม่หางย่างบ้านบ้านเศ้าประดเศ้าแล้วเศ้าแรียบร้อยพวกคู่มาบวชกันอยู่้านข้างในหน่อยเด้อพวกคู่ทั้งหนอยเอ็ดเด็ดหลายจงออกไปแล้วยัไปเฮ็ดมาล่มาร้อยไปทัวเขาดูถูกที่าตุเอะสง่าราีสง่าวะฉันนำอ้อยนาตาล เงีมาแรก่ะถ้ากันมูชันเพื่อเพื่อบำวัดโลกเพื่อให้มันถ่องมันทายยน้อสูนมุ่งสันวาให้ต่างเขาต่างลาเป็นอาวัตปายิติทุกกลกบเกินเนี่ยเพื่อเพ่ให้อภัพโรคกวนพ่อนะเมย่าพาติกานะเมนานั่งปฏิฆาตายะอภัยประชะประมาตายาติเนี่ยเนื้อหายภัยญาติกำลบใช่หเนาะเมย่าพาติกานะฮะเมต เวทนานั่งปฏิฆาตตายะปฏิฆาตตายะเพื่อหายัญหาเสียหามทรัพพรโลกท่านปวงหายปัญญาเท่าองว่ากัเนาะมหิวยัถว่ากินแก่หิวยัตว่าชั้นแก่หิวฉันดาห่อนน้บุญข้าพอสมรฉันเขาก็คึ้นันฉันข่าชั้นเพื่อแก่หิวพราะบันเทาหิวเพื่อติประพฤติพื่มจันท์เท่ากวาสันแล้ววันหนึ่งขึ้นนึงมันรวงถวาย้าได้มันว่ามันรวงไปด้ยซึ่มันเอาซีวิต เข่าไปเก็นนบานึ่งเจ้าคำวัดถามอันนี้อะลรเจ้ามือะอะไรไงเฮ้ยเจาคัดถามอันนี้อะไเสมืออ่เมือเลยเมัเมนก็นยังก็แปเส็บมือแมนอ่นวะมันสามเดียบมันเก่าเสียแล้ล่วงไปล่วงไปมันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทาอะไรอยู่เรื่องพริเพิ่งพิจารณาเนืองๆว่า บัดนี้เรามีเพศต่างจากกระดูกแล้วอาการจริตญาณใดๆของสมณะเราต้องทําอาการจริยานั้นๆนั้นพิชิตสองบรรพิชิตควรพิจารณานเนืองว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยฝืนเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายสามบรรพชิตคึงพิจารณานเนื่องว่าอาการกายวาจายอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงตอนนี้สี่บรรพิชิตพิจารณานเนื่องว่า ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยสินลยหรือไม่ห้าวันพิจิตพิจารณาเรื่องว่าผู้ลูกใครควรแล้วติเตียนเราได้โดยสินหรือไม่หกวันพิจารณาบันพิคิตพึงพิจารณาเรื่องว่าเราจะต้องพัดเท่าจากของรักของปัจจัทังนั้นเจ็ดวันพิคิตพึงพิจารณาเรื่องว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปวันคืนล่วงไปล่วงไปบัด น, นี้เราทําอะไรอยู่ แต่ันไปคิดพึงพิจารณาในเมืองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่เราใคยินดีในที่สงัดดิบเมียนเลยแบบนี้เราไม่นเพศ่างจาสนาเราปฏิเจริญในของของเราต้งกันเรายังคิดในของเราอยู้อ่อาการการตัวของเราเอที่เตือนเรผู้คควรเราท่นเราจะต้องรับาจากของและของของเราดังันเ็ดเรามีกรรมของเป็นของ้องเราเราทาดีจบได้ดีเราทาช่วยจะได้ช่วย แปดวันคืนล่วงไปล่วงไปบัตรนี้เราทําอะไรอยู่เก้าเรายืนดีในที่สงัดหรือไม่สิบคุณพิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทําให้เราเป็นผู้เมกเกอร์เขินในเวลาเพื่อนบันพิชิตถามในตามภายหลังทําที่บันพิชิตควรพิจารณาเนืองสิบอย่าไม่ใช่พิจารณาทุกวันทุกวันพิจารณาเนืองอีกสองหน้าฐานคานธรรมคือทำที่เพิ่งสิบอย่าหนึ่งสินลักขากายบาดใจให้เรียบร้อย 2. เฮิและอ้ายต่อบาตทุจริตสามโอตปะปสะดุ้งกลัวต่อบาตทุจริตห้าพ่างโสัจจะความเป็นคนได้เคยได้ยนินได้ฟังมามากและจำทรงทำสินงได้ปวิทยามากหกกาคะสระสิงของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเหมือนพรแม่หนนะ้าจงละ ว, วานี่นี่อายต่อบาตริโอตระปาสะุ้งกลัวต่อบาตรทุจริตพ่งัจะเป็นผู้ได้ จำทรงชินในปรัทญามากกณยญาณามิตรตาคนผู้มีเครื่อนอันงีางามโสด ว, วัตจะตาเป็นผู้ง่ายสง่าง่า ย, ายกิงกรณีสุทธัคตาความขยันเอาใจใส่ในกิจธระของเพื่อนพิกษุสามเณรธรรมกาณตาความรักใคร่ในทางเที่ชอบวิทยะเพียรเพระะรื่อจาระความชื่อประพฤติความดีแปดสันโดยินดีและผ้านุ่งผ้าหม่มอาหารที่นอนที่นั่งระยะตามเมตตามได้ เก้าสิติจำการที่ทําและคําที่พูดแล้วแม่อนานได้สิบปัญญารับรูกในกองทหารจำเป็นจริงอย่างไรกองทหารจำเป็นจริงก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยกว่าหน้าทะคาณธรรมคือทำที่พึ่งของตนสิบอยา่างกฐาวัตถุคือถ้าคําที่ควรพูดสิบอยา่างหนึ่งอภิษฐฉาคาถาถ้าคำเที่ยงนําให้มีความปรารถนาน้อยสองสันตุทิศกฐ า, าถ้าคําที่ชักนาให้สันโดษยินดีและปัจจัยจำมมีนจำได้ สามตัวเลขอักษรถ้อยคำที่จะนําให้สังกัดกายสังัดใจสี่สังสักกะคถาถ้อยคําที่จะนําให้ละคนด้วยหมู่จนเกินไปจนไม่รู้จักวิเวกภาวนาห้าวิทยารำพักคถาถ้อยคําที่จะนําให้ตารกความเพียศีลคถาอี่จยนหกสีรักคาถาถ้อยคำที่จะนําให้ทําใจให้สงบแปดปัญญาคถาถ้อยคำที่จะนําให้เกิดปัญญาเก้าวิมุตติกถาถ้อยคำที่จะนําให้ ที่ชักนำให้พ้นทำใจให้พกก้นจากกิเลสมันจะสั้นไปชีวิตมุติยานารรัทสารคกถาเท่าคำที่จะกนำให้เกิดความรู้ความเห็นในความสิใจพนจากกิเลสอนุสติสิบคืออารมณ์ครระลึกสิบประการหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงุลของพระพุทธเจ้ า, า, าธรรมานุสติละลึกถึงุลของพระธรรมสังขานุสติละลึกถึงุลของพระรยาสง์ศีลานุสติระลึกถึงสิ่ของตนจาคานุสติระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว เทวตานุษสติเลือถึงคุณที่ทำบุตรคนนี้เป็นเทวาราเช่นเมดามดาและครูบาอาจารย์เป็นต้นกายานุสติและลึกถึงกายให้เห็นงามว่าไม่งามน่าเกียดตะโกอานาปานาสติเลือกถึงลมหายใจเข้าออกเมื่อนั้นเลืกถึงความตายจะมาถึงตนกากายคตาสติเลือกถึงในกายว่าเป็นของไม่งามน่าเกียดตะโกอาณาปานาสติกำหนดลมหายใจเข้าออกอุปสมานุสติและลึกถึงคุณของพระธรรมทาน ซึ่งเป็นที่ระงับสังขารขีเดเล็ดและกองทุกกรรมฐานที่ควรจเจริญเป็นนิสหนึ่งพุทธานุสติแล้วถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีแต่พระองค์และทรงกือกูลแก่ผู้อืน่นสองแผ่เมตสองเมตาแผ่เมตติกิจที่จะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขตัวหน้าสามอสุภะพิจารณาร่างกายตนและผู้อืน่นให้เป็นงามสี่มรณะสติรแล้วถึงความตายจะมาถึงตนกรรมฐานสี่อย่างนี้ควรจเจริญเป็นนิสตว่าล ะ, ะงานพระมาัทธย์อุตยาบ่ก แต่ส่วนผมมีงานเรียกเสียเรียกว่าอาราคคากรรมฐานสี่ถ้าจับอันนั้นหนึงแล้วกรรมฐานอื่นกับอายุวันเดียวนะจับให้มันมันนะกรรมฐานอันไดนดีวัดน่ะอันอื่นมาอยู่น้ำจับล่มให้แกเขาออกหายไมดีกรรมฐานอื่นแล้วไม่อยู่หันมดนะปางนัสตินี่ท่านผู้ใดเจริญดีแล้วกายและจิตของผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหว ผู้ที่ตําน่าตําน้ามาลโงโค่งเพลงเลงเพลงปลางขาดอำารธารสิทลิขาดสมาธิยิ้มพกคุนเช่ยงในสมาธิยิ้ลุกขุนเื่องในสติในปัญญาทำอะไรเียเรียกว่ากิจยาส้มซ้ามาเรียบร้อยก็ไร้เหี้ยนเลยราชการที่อจับโน่นโดนนี่เปลืองปางก็นับว่าส้มซ้ำเหมือนกอันเรื่องผ่ากลางอีกอย่างถ้ามีใครเขาพูดกันอยู่ ถ้าเราจะไปต้องหด็ดไปข้างหลังจะผ่ากลางไปเพราะเสียมลัยหยาดแหวนเนี่ยยาดนุ่มเขาคำนั่งไหวายอยูะสุดมากและชาล่าเฮาเลยเขาพานไปเขาไหวายเขาปิ้นหนามาปัดพานนาเขาบอถือต้องหยุดยืนซะก่อนเขาเขาไหวเศ้าแล้วเขาจะเข้าไปผู้ไหวเพราะเพราะแม่เขาจำันก็ห้ยตัวเขาไมีคนคุกคุยยาสวนไปสอนมาโยก็จะยาไหวแ่บอกอยผู้ไหวของชาคลาเทศาแต่บอกบนว่า ันผู้พานไปก็แล้ว น, นแล้วหลังไดยเระบอกว่ามผู้ไหวยยก็จะพานเราบอกว่าดาทั้งสองคนวันดาทั้งผู้ไหวด่าทั้งผู้พานไปผู้ไหวเขา ย, ยักก็เลอ้อาเทศสารเราบอกคนกาลังคุกคุยอยู่มุนไหวไปมาอยู่ว่าจะใหรระมัดระวังเลบอกจัสวยว่าะขันไว้พื่อสรุปนะจัทําน า, ายกะลีกออกไปเมืาอคนมผ่านหนาวา่าจังเมื่อคนผู้หนึงยยไหวเยอ่นะ้นอันพูที่พานไปที่หลังผู้ไหวนะัน ก็ให้พี่อย่างนั้นแหเข้าไวายกับมื่อกั้ตาเขาจะยืนยู่ลอยเข้าหว้แล้วทุกคนองการทานไปแล้วนะเพิ่งเคยห่างอยู่ในหลวงปู่มาเรอวัตถิยามันละเอียดยกับศีนือกาะศีนเนี่ยมันโบเนี่ยไม่เพียงสองอยยี่สิบเกตด้แไปเบิ่อกี้คำพี่พิสุดที่มาสีนนี่เทศมันตะโกดผู้กันตื่นติวเสือติวผู้นี่แม่ในพระปาร์ติโมกก็มีสองลยี่สิบเก็ยรต้นันกันแหลมแ่นเลย อันนี้ขันมาในปันามาสมาธิสมาบัติเอก็สื่นก็มาร่วมเนี่ยนะวานาหนะเนี่เป็นสันนิษเนี่ยขันขยายออกลายเนี่ยผู้ฟังปฏิโมขันกำหนดลมให้แกขออกหรือกำหนดเจริญสมาธิอยู่เขาเรียกว่าเก็เรียกว่าฟังด้วยดีอาจารยว่ารือทงพิหนาไปตามขอมันขอนเทิมาว่าหนี่เขาเรียกว่าฟังด้วยดีแล้วผู้วู้บวกํากกำะก็จะกรายอย่างไ เราได้ตั้งใจพวาวะหน้าครับ ก, ก, ก, กำหนดกรรมฐานน้องเจ้าของก็าเรียยวก็ฟังด่วยดีวะท่านว่าสั่นตัวแม่นบะว่าฟังด้ยดีพอพปฏิมองประรวมอมู่บรรพุนี้เนี่ยมระ่สมรติวัด น, นั่นเนี่ยลองสมรติแก่ปร่วมอมู่พุเนี่อ <c oughs> ันที่แคหน้าเห็นข้ า, ามแก่้อมแก่ข้อมตายความปม า, มานว่าเที่ยงเลตัวศีลมันกระแลนไป ร, ร่วมอยู่ผุนเน่ยสมาธิกรแล่งประล่มจะผบุญกรรมพ่อหน้าระล่มจะผ มันมั อ, อึศเนี่ยสิเฮ็ดได้เดียวนี้วันหนึ่งขึ้นนึ่งสร้างอัฏฏะอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของที่จะมันแก่งง่ายผดที่จะมันคำง่ายผดที่จะมันรวงไปลงง่ายผดบุคคลผู้มีปัญญาสามบุคคลผู้มีปัญญาสามย่อมสําคัญวล า, าตียาวบุคคลผู้มีปัญญาดีย่อมสําคัญว่าวันหนึ่งขึ้นหนึ่งมีเวลานิดเดียวม่วปฏิบัติม่วภาวนาพระปัญมาพระเศรษฐีมาขาดแล้วบุคคลภาวนาพุ่น ก็ได้บุญเพิ่มกันึนบวกกันคืนตัวกันนโดยเห็นแต่แกขี่ขานนอนเว้นเห็นแต่แกความจารับขับตานอนญาติกินกับญาเิเ่ได้กินหลายท้เพิ่นาต น, นั่นกับญานิม่ได้รับหลายเพราะพอทอเ พ, พ, พิน่นเมื่เพิ่นเอาเข้ามานต่างญาเสียสาระบดผู้เว้นอาหารกัยังไม่เอูอมือถ่ายบุมาขอโอกาสเลี้ยอาหารหน่อย น, นีองค์แต่ว่าวัด เท่าเนี่ยเว้นทั้งสองมือสา ม, มือไปเลยจากมือไอ้เน่ยมันก็เดินเพื่องเดินเพื่องเท่าเว่นแ เ, เจ็มือก็เหเทศเดียวเ้านั้เท่ามาเหตุอีกเหตเ็ดมือ เ, เอท่า น, าาา น, น่ะอันเว้นมือนึงมือหนึงเงินยุคผู้ยุคเขาอันยุคสามพาันเดยเท่าเว้นมือหนึ่งสันแต่ว่าเว่นทางทางไ่ได้โถเขาขึ้นไปสันเครงและยาดเขาตัวเอาเขาเศษไปกินสันยุรมืออันนี้เขาเห็นหมันถึงผ้าแต่วัดเป้าขึ้นไปอันน้ผาขึ้นไปกินผู้ตัวยุ่ผู้เดียวญาติเขาเพิกนว่รเอาเขาไปกิน อย่างเขาเปิดว่าอย่างเขาบาปเนาะเขาเพ่งกับเป็นเรื่องของเขาเ่านะั้แต่จริงอยู่เขาต้องไรักษามันก็ตรงนี้แล้ววิสัยนะเขาจังบารักษาการรักษามันก็เป็นการปฏิบัติเลยแต่เม่รักษาก็าเรียกอว่าถ้ามันรักษาเรามันเหลือไปใั้แล้ว น, นันเขาปแนี่ย น, นึกไงนักทีโรเคอยนี่ที่ตัวคนมาถูกนท่าบันมีในโลกจริงอยู่แต่เขานินท่าไหนมันสมจริงกับเขาเนะราอเว็ตัวแ้ามันสมจริงเขาสมจริงเขาจรจังบาอะมันเขานินท่าไหนเขาก นห้องเฮ็ดดีหองก็ถึกไปลบนํางเขากองบัถือเขายิ้งท่าว่า้าวขี้ข่าในั่คมห้าวขี้ขานี่ากรมันในสังกัต์ต่างว่าเนี่ยแต่ห้าว่าขี้ข่าหามันโย่ห้ากับบัแก้นักที่โลกอานีที่ตัวคนไม่ถูกิ้งท่าไม่มีในโลกเขาทิ้งท่าพระองค์เจ้าว่าพระองค์เจ้ามีเกลียดพระองค์เจ้ากับบัตแกะแล้วพระองค์เจ้าวุ่นเกลียดเขาทิ้งท่าห้าว่าห้าไม่เกลียดในสังคมห้าวกับพญานาคแก้ซื่อสัตย์ไปเกลียดเขากับบัตรมดแต่ห้าวบ กไมิลายึกนันันบริตีขึ้นอันฟังเทศย่นําเยอผู้วันกำหนดลมับโหลดหอประเทศอันนี้มันแรนมาขันับก็โคับโหลดบนโกมักถล่มอนั้นปริยัติทร้ายแล้วปรยติยักเขาได้กายว่าใจใจนี่เนี่ยปฏิบัติกับปฏิบัติเขาได้กายว่าใจใจปฏิเวทคือคือผลของการปฏิบัติกายว่าใจใจนี่เนี่ยผ่าอนึงเด้ ขายเนาะหันหน้าดีกาจอดจอดด้วยขายเลยเมืูมันเดินจุกมก็กระเดินมากกับก้ากลับมากเสียยังซ้อเห็นหันหน้าริกาก็น้อยเช้าเห็นเจ้าของสิตายเยอะก็จะไปหันหนาดีกายังเห็หันหน้านีใจเหนไปยังผ้าว่าใส่ผ้าว่าน้าเห็นบุญก็อย่านี้เปนเพว่าโมูหันหน้าดีใจไปยังใส่ผ้าว่าเจ้าของสิ่ตายเยอะไปวุ่นี่ยังหมุนรนาดีกายังเลยเหนเจ้าของสีตายอยู่ จะ่้อมวายรอย่าเงี้ยตรงนัง้นฝนวัอยุ่งฝนเอาหนังสือมาเบิงวัวแห้งด้เลยเอาหนังสือมาเบิ้งแกเกือ้รังเลยฝนถงมาตัวมาเบิงหนังสือเลยเ้งหนังสือขอนยเบิ้ห น, นังสือแก่เวทนาแกะไม่เอเวนาคือไป่เากที่ขันข้อระบาดขั้นอยงเง้โยโยโยๆไรอกากขาขาออกก็ขั้น ข, นขอหังว่าันนอีกทีว่านี่ททาว่าเนาะนี่เ้นี่เน้เรามันยังหนังสือบอกว่าจัน นี่ยังว่นัซื้อครอันังมช่นี่ว่าัพระคัดข้อหลวงปู่มาแล้วพี่ก็นาอันนี้ไปยังวัดสังหรเพิ่งนึกซื้อไผองนตัวตายอยู่ว่าสังแต่พี่ก็น่าอะไรนี่แต่เพราะมาหตีนเจตีนขึ้นมาหัวนี่วัดมื่วเว้นกระตานันรับขากระตาเขาไม่พิ้เท่าจแก่อัตราหลวงปู่มาแ้วพี่ก็น่าออกนอกคนเราแตดเพี้ยนเท่าพอแก่อัตราถ้าบมมีเงินจะแก่อะเนี่พี่นาอะไรนี่กับเพเท่าแก่รวดวัดัแต่เพราะมตีนจะตีนมาหัวน่าวัดห เอาเป็นอารมณ์ยังไ่นะอาบทอดั้โ่ทังคอยู่หันหลาปนว่าบ่ได้ยุไก่ได้่านด้านปฏิบัติมันไกกันบด้านปริยัตแต่เนาเอาว่าเขาก็มาว่าให้รบภูมันเนี่ยท่านวันนันป็นคู่ทั้งหกเลยว่นคู่ทั้งหกในขังพุทธการมีเน่ยคู่ทั้งหกไปกระโดดน้าตายเนี่อแม่นี่รบคู่ทั้งหกละท่านคู่ตาคู่หูคู่จมูกคู่เล่นคู่กายคู่ใจอารย์เปนว่า ลูกผู้คนมาทำเสื้อเย็ น, นว่าเสื้อเย็นเลยเ้ยนน่ะมั น, นเจ็มันหอนเนี่ยพสิไปงานๆแตมันเย็นมันว่าองศ์เย่ยผู้เกา่าเขามาในวนเท่เายุคผู้เก่าผู้เดียวมาในวันเท่าไปสวดถอดบาอ้านน้องสจานัด น, นี่หละไปสวดถอดให้แน่เขาน่อยไปสั่งเพราจะปุ๊เพื่อนมาั่เพราะว่ามันเข็ดมันคมมาสั่ บ้านหันไว้เหเข้าอะไรถามถามว่ามันเป็นบ้านไหนเข้าหันวะมันเป็นบ้นเขาไปทายเขาหน่อยสั่ยังว่าขวว่ามันเก่งมันเพียงจังว่ไปเนี่ไปตันหัวหัวดาบเขาไงเขาทายหัวใายหัวมันเี่ยยังวาผีว่าปเท่าจะไปพุ่งเขื่อนมันสามารถจะมาตองมาสู้นมาสามารถจะไปใหญ่มันสิใหญ่ายพุ่มสีใหายพุ่มไปใส่ไสั่ง่พุ่จิตพุ่งใจเข้าจะเขาใจผิดนะแม่ยูว่านาพพุ่มสีายไปไส่า มาปลุกเงื่อนแท้ขีดสิปลุกแท้ทั้งฝ่าบมมว่าวางที่อะไรศาสาฟูกวงมี่ไ้่ายเพราะพุ่มศาสตราเสือศาสตร์นี่ถ้าสิบบอกง่ายเพราะพุ่มเด้วตัวที่เอาวะเอาอะไรถามวันนี้มันสูงเนาะเอาลกเอาไปสวดทอดบั้นศาดไฟอะสั่ถามันจังสิบปลุกง่ายอะไรั่งามวันนี้จะต่อฟุดออกข้าวอะไสั่งเรียกว่าสวดทอด้ะไรสั่งมันไอ้ที่ดินวะทันจะต้องไฝเลยสั่ เป็นท้องเจ้าคับบอกห้าปุกแล้วเขาจะบอกาซอบบอกว่าสมัท้องเจ้าท้างนากับปรจองซะวาสันขนเคนต่อเคก็เขากับประธานให้มันดีวาสันถอดออกครับไม่มัดจไม่มีเรื่องไม่หันเลยนี่เรียกว่าสวดถอดวะสวดถอดต่อถอดน้ําเหรออกว่ามันไม่ใช่ม่หันแมสวดถอดสวดถอดเท่ากันแล้วะแต่ว่ามีผีวะสันเขาไปขี่ใส่มันเพียงเขไปรัดหัดากมันเขาวามันปล่อยเขาไปขี่ใส่ยังไม่หันวา ปาทีเขาวะมันต้อม่นวะพพุทธศาสนาบดถือหรอวะอันบไหนบนคนเี่วบนตายไซบนับบนซับเถี่บตายไซบนเนี่ยนดินตอนอยู่มันนแนวหนึ่งกัแนวหนึ่งวาแต่มันต่างพับทางกันมันเนี่ยเราบอกก็มูก็อกไรแล้วบัต้าวนาเอาโต้เเดียวเอาเตะลมหายใจเขาออกหอกแล้วจะพระันน่างเอากระมหายใจเขาออกเป็นอาจารย์ด้วย ข้อศิริพระาวะนาทุข้าวขาล้มหายใจเขาออกพร้อมกันกับคร่วมหายใจเขาอพกข้อศิริพระวะนาอานิจังข้าวขาอาพร้อมเขาลมหายใจเขาออกข้อศิริพระวะนาพุทธเจาขาพร้อมออกเพร้อมลมหายใจเขาออกขอศิว่าข้ิริวนาดินน้ำาล่มพีนาของเปยเขา้อขาวพร้อมกขลมหายใจเขาออกขอศิราวนาแพร่เมตตาขาวขพร้อมกลมหายใจเขาออกโยนที่ทุกธนาเจ้าเป็นชุกทุกมาทุกลมหายใจเขาออกมีเร่นี้ไสกันยีทุกลมหายใจเขาออก ลมกันทุกยิงขึ้นไปยุทุกมาทุกล้มหายใจเขาออกเขาก็เอาล้มเป็นอาจารพี่าร่น่าอันไหนแช่เล่าไหมแช่ของเล่ากับพิ่แย่าฟ้องว่าล้มหายใจเขาออกพี่แย่นาดินน้าแพ้ล้มเหมกับพิ่แย่นาฟ้อง่ลมหายใจเขาออกลมหายใจเขาออกว่ามันล้มเพราะมันธาดดินน้าแพ้ล้มเมือนกับจุ่มกันยุ่งหนิฟ้องว่ลมหายใจเขาออกจังหายใจเขาออกได้อย่เสียงความสงสัยอันตรายเขาม่ธาดดินหน้าแพ้ล้มสมดุลกันตัวจังล้มหายใจเขาออกได้ไหมนะมันขับ ขอมหาศาท่านพีเจน่ะอันนี้ตังกพอมรมวงหายใจเขาออันนี้จังตัวสั่นหายใจเขาอยบแย็มันเป็นของเทียงยังไงก็สั่งแลมันกระทุกตัวมันจังหายใจเขาออกเสียั่ก็พิน่ะทพ่องมงหายใจเขาออกมันกับว่ามันสั่นันบุคนตัวมันจังหายใจเขาออกนั่งรับกพ่อมร่วงหายใจเขาออกเวลานอนเัากพ่อมร่วงหายใจเขาออกรับพรกันกรับงหายใจเขาออกสั่ได้สิพิานะยังยาบนี้อันนี้เป็นไงกเดินเดินเอาไว้กับขาก่า ตอนนั้ไงเขาล้มหายใจเขาออกมันเพท่านกันพู้ท้อ้ท้อฟังว่าล้มหายใจเขาออกขั้นี่ยั้นทีมล้มหายใจเขาออกแล้วครับแปลกำนวดแปลกับันวาพุดกโท้มันพุดขืนสายบันท้อขืนสายมันพุดมันท้ขึ้นค่อยๆนั่นพราะก็เราเฟือนงุดหุดงุดพวกนี้เป็นเด็โท้โท้แนี่ยบนนี่นี่จะได้ถอนออกจากนี้มาทำไมเห็นล้มหายใจเขาออกคือกันเอาเพราะเขาล้มหายใจเขาออกก็ได้ทุกเพราะ นั่นเศรษฐีพระธรรมสูตรเบาบอกไงเราจะพิจารณาความเมตเพียงพ้องกรบลมหายใจเข้าเราจะพิจารณาความเม่เพียงพ้องกรบลมหายใจออกเราจะพิจารณากายจสังขารพ้องกรมลมหายใจเข้าเราจะพิจารณากายจสังขารพ้องกับลมหายใจออกเราพิจารณาความอาไม่เวทนาความสุขทุกอุเบกขาพ้องกับลมหายใจเข้าพ้องกับลมหายใจออกเราจะพิจารณาทํามันป่านทกจากราคะพ้องกับลมหายใจเข้าพ้องกับลมหายใจออก ทำอันดับสนิทพ่อว่าลมหายใจเข้าขับลมหายใจออกเราจกไม่ซื้อมั่นสิงใดในโลกั้วพ่อขับลมหายใจเข้าพ่อขับลมหายใจออกนี่หลักเราบ่ได้เราเสือขาดเมื่อลมไปนีเมื่อก็ะบาดตายต่อไส้ยังไงเฮื่อรถไหลไปตนโลนี้จากรถทับตายสับบ่ไดรถคว่ำก็ตโตูนนี้รถทับตายอีกคือกาหัตายยังรถถ ว่ากครบายปานาพปนาเป็นไอ้ชกตาถําทําภายได้นอกความาเป็นโอ้คนนันจโกพผูเขาแก้ผูเขาเก็บพวกเขาตายเกี่งว่าเก่งมาทั้งทิศทั้งทรายเนี่ยทั้งทรายเก่งมาทิศทั้งหัวเก่งมาทิศทั้งนาเก่งมาทิศทั้งหลังเนี่ยผูเขาแก้เขาเก็บเขาตายมันเก่งมาทับเนี่ยอกาสันวาแต่สาห้าเฮปันนิโโพโซทั้งมาทางทั้งมาทาโน้กเททั้เมย์กี่งเคี เหตุทั้งขันเหาทั้งหลายงถึงหลิบทังวัคพระธรรมประสงค์เท่าอันใเป็นที่เพิงโยธมรจจาติยาเยนะวาจายยศเกตัสสานี่เรนนงมาสร้งสั้นจิตเหุะเกดประมูตติเป็นวานวันแรกสังฆผลพระธรรมประสงค์เปนที่เพิงแล้วละโลกนี้แล้วแต่บันเทิงไม่สวรรค์วานสันยางต่ำเลยนี่วันแรกสังฆผธพระธรรมประสงค์มีกัติเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์ยางต่าเข้ามาสวรรค์นี่ที่หมายถึงสวรรค์พระโสดาบันน้ำผู้หมายถึงพระธรรมประสงค์เนที่เพิง มีคติเป็นสองไม่สัตว์ได้ฉามเปรตอสศุรกายก็สัตวนรกนี่เป็นว่ามีคติเป็นสองเลยครับถ้ามีอาเปเนื่องขันเมื่อเปเรื่องขันมืห้องยั้เสีว่าศาสตาไดโนอศาสตาไดโน่สมมติฮึ่บ่บเดี๋ยวเอาสิถือศาสตราไดโน่ับเมื่อไปเรื่งขันถูกมัดอปเมื่อไหร่ความจริงมันผูกมัดแล้วบนพวกเจ้าผูกมัดเอ๊ะความจริงมันปเนื่งขันเนี้ยอยอยู่ต่รางเดียวเดียวโมกติมนโมกต เทาเทีงยัไลงไ ป, ไไปลงไปไัพวกนี้ประเทิงวนันาวัดยุรมันน่มันติดือบอนี่ั้งเย่อยจะหน่อ ย, ะอยอนะเอขอรักเษท่านี่ละไปไปมโต <c oughs> มูโตลงไปจกเวทพันไปเห็นจังชัดก็ทำไรได้มันกนเห็นทุกชัดก็ทำารได้มันกเห็นอนัตาชัดก็ทำารได้เมื่อใดเห็นทำเห็นทางการทางไรไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเมื่อนั่นย่อหนยเนยทุกนั่นแหละทางเห็นวิสุทธิที่นั่นแหล่สิ่งวิสุทธิสมาธ ก็ไม่ถนัดเราควรจะรักษาเนีรถกับรถกันพพอนอ่กับพชนะพ่นข้ามีบางพระองค์พีชนะอันนี้จังไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงยุ่ได้ตันชุดาวบ้านมนี่ยขม่หล้อนบงพระองค์กัพชนะทุกทุกุกทุนี่เลกินบางพระองค์ตรีพี่ชนะอยู่เป็นแคกหเป็นเห็นเน่ล่าเปแค่เขาเ่สรเป็น่พวกวรจะจิตอนอุปทานเน right. right. no. like ี่ยขาวเวทนเี้ยงหนึ่ สาคั้นว่าตนเป็นเวทนาคำขัญนว่าเวทนาเป็นตนเมื่อข่าวเมื่อไรถ้ามาคำคัญว่าตนเป็นเวทนาเ่อคำั้ว่าเวทนาเป็นตนเมืขามไดมาขาวไม่ได้ตัวลยพระองค์นี่คือไงายหลวูผมว่างายงมว่าหลวอหันรายไพเข้าว่าเข้าว่าเข้ว่าพุทธว้าเมือบพุทเ้เขาพุทธพุดธไมว่าแต่ที่จะแป่ไปไปให้หล้งพ่อมานนข่าสิงกำปั้น ตอนนี้ภาษาคนจคนนี้นองนัเรียนก็ว่าก็วากว่าคนก็ว่าก็ว่าเออวิเล็กพอไป็นฝาเป็นดินเข้ามคนนี้ผมผลอย่างนี้อ๋อผลผลนะครัเราเพิ่งรู้ว่าผมถือขอยว่างนะการจวนกนั่งว่งเงาต่าแต่ตรวจเงาเย็นเยะคนมี้ใจกบบคนเบื่ออะอดีตแค่น่ากดผุกับเบื่ออะไรย่ผมจะได้ปฏิบัต ผมหลกล่าเลี้ยของภูขาแล้วภูขาของอาแมนอยู่ท่านว่ากล่าวเลียผมหลัผมก่อาธรรมมนนี่เลท่านเดินมักถือแกลว์เสียสมาธิปัญญาัร่วมลงมาในปัจจุบันแลเียปัจจุบันแลตั้ผมกับ่าท่าถือนี่เลยท่านว่าท่านนไ่วะท่านพรเยรมทือคนนี่ท่านว่าท่าคนปัจจุบันมันยังมันกิตัวเสียสมาธิปัญญา่เงี้ยกิตัวโลก ตัวปุ่นยากทีสักขาหนึ่งเองวกัตัวโลกอะพปัจจุบันที่ทำจิขนาเมหาีมหาปัญญาของท่านนี้เนี่ยปัจจุบันก็ท่านงั้หมดะเพราะท่านมหัน่ยเพาะเนียท่านท่านยังอยู่ท่านเลยอาศัยนปัจจุบันท่านยังมีวันอาศัยะไอยังยากเพราะว่าท่านตอเป็นเพจนี่แหละปัจจุบันแต่ว่าเดินมัดขึอนด้วยของท่านทุนหรือองผมบอกฟังว่ะผมของท่านนขอผมบอกอะไรว่ะอดีตก็คือห้างป่าอนาคตก็คือหัวป่า ปัจจุบันก็คือมันป่าตัวนั้นก็คือวันพุ่งมาอยหางท่านบกลิ่นซะะหัวท่านกั บ, บ ก, กินมันไม่กล้าถ้ามา ก, กินวันตรงพุ่งมันไงมันแสบซะสันท่านที่พิเสษว่าท่านบอกินป่าตัวนั้นกนระสราเรียมโกงแม่นแบราณเก่าเหรอไอ้โอ้เขาก็ที่จะคนยืนยันว่าแล้ ว, ว, <c oughs> วลูกอริยมเปนจริงของอริยธรรม้วอนาคตก็เป็จริงของอนาคตเรารวู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่เราปฏิติด้วยเงินทั้งสามโบราณนี่ว ถ้าเราติดอยู่ในเงินในเงินหนึ่งก็เรียกว่าเราไม่รู้อนนั้นเหตุฉะนั้นอุปทานของเราจึงไม่มีจิตของเราจะไม่ที่ว่าผู้รู้ของเราก็าจึงว่าเพราะเราไม่สําคัญผู้รู้อยู่ในปัจจุบันหรือผู้รู้ในอดีตนะเขาไดใดกันที่ไม่มีเรามีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีคนนะแด้ไม่สําคัญตัวเองว่าอยู่ในสุขสตขสารอะไรเลยเหตุฉะนั้นวิญญาเป็นที่สัที่เราจึงไม่มีเ ค, เคยพอปากก็จังชวนหัวจัดชวนอ๋อจังขอได้ขอจัง น่่แน่ช่าเข้าล่งท่านเขานงี้เนี่ยเอาผู้สกอรองเี้ยนะจัว่าคนร้ายพรท่านพ้องคร้ายหุ่จักว่ามันสิพลนะคำว่าอะไรคำว่าเป็นได้ส่านคนร้ายกว่าพลว่าแต่คนร้าเป็นได้ส่วนคนร้ายก็สิพลนะว่าอ้ยสิแค่ทีปัจจุบันว่ามีพระท่านพลเดินมากถือซื่อๆเห็นไหมเดินมากถือแะไรว่ายูในปัจจุบันในกิจในปัจจุบันนะธรรมีเบื่อเพื่อในอดีตเบื่อในอนาคตดูในปัจจุบันในปจุันะธรเปลว่าเป็นคนคุ้มนะพลเจ้นี่วา ้มลักษนีักโตัวนี้อย่างนี้ว่าพระันไ่ได้คุ้มปัจจุบันนเรนองอายังไม่มาชนะแห้งบรญัตปัจจุบันเป็นทินสามารถที่ัญญาเป็นแผนเมืองที่พระธรรมขันธ์มาวมในปัจจุบันวะอ๋อปัจจุบันพระโสดาบัปัจจุบันพระนารคะมีปัจจุบันพระนาคามีปัจจุบันพระหปัจจุบันพระปเปัจจุบันพระสมายพระติเก่าปัจจุบันพระมัยพระโิเก่าเป็นชั้นที่หนึ่งขอมยปัจจุบันพระสดาบันเป็นมโหเริ่มงตนในโลกคตละจำกรณีว่าเป็นปัจจุบันโลกผี เป็นอย่างว่าจะมีโรคกี่สมาธิมากโรคกี่ินโรคกี่สมาธิโรคกี่ปัญญามากยกของเอาศาสนาอื่อมาขนไปทั้ศาสนาพุทธเจ้าก็มีอยู่ศาสนาพุทธเจ้ามีแโรคตระลทั้งนั้นไม่มีโรคกี่พระมกัรจ์ต้นกันนับ้าระพเนไปพระพุทธเจ้าทุนนั้นเพือบนับนี่เป็นพรมจน์ต้นๆครัพระพุทธโนพรมจนต้นของเราพระพุทธเจ้าเขาเอาศาสนาอื่นมาขนไปมันก็เป็นโรคกี่ตัว เขาว่าส th ัมผัสที่โก้แน่พระพุทธศาสนาเขาม่มีเครื่อหมายไม้เอาจฉพาะตวดับบันเป็นต้นไปคําว่าอากาศทโก้เขามาเอาจฉพาะตดับบันเป็นต้นไปคําบอกเอให้พระโกท่านจงมาดูเถิดก็เรียกเมื่อจะพาะตัวดับบันตัวเดียวเป็นต้นไปฝกโรคจีเขาจะเอามาเขาไม่เข้า่าถือพระสั์ทุกเขาเหลือยใช้พระพุทธศาสนาเขากว่าเหลือยใช้่อที่ว่าสัมผสทิ่โก้มันเข้ามาถือมันสันเถื่อนปดเข้ามา นั่นที่ท no. ี me, ่วอการทโก้ปาตัวพระกวาตาทำหมูเพราะทมันพระงคนี่พระว่า้วก่าดีแล้วไม้เอาพระโถดัวันนี้เห็นธรรมสุมหลวงอโวันเห็นธรรมสุมนี่เห็นสัตเห็นอนิจจังสัตวญาติท่านอยากเห็นอนิจจังสัตว์จมาทำมาจากสูตสูคือดวกาเห็นธรรมเห็นอนิจจังสัตเมื่อเห็นอนิจจังสัตวก็เห็นทุกขังสัตก็เห็นอนัตตาสัตคือกันเอเสขวัดสกิบัตั์คือกันคือเห็นชิ้นสมาธิปัญญาเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องใาย มองเห็นฟองมองเห็นกนทา้งกางฟางแะ้ว่างวตรงพอตรงไปนะด้านที่เีสมมติถ้าอยากับงทัพย์ปังญาง่ายจะทำมันติกสิ่งใจส่งน่เกิดขึ้นทั้งหมดดังนั้นทังหมดก็มีความดับสวนเป็นธรรมดาโยจะก้อเห็นอะรอางนี้จังกรรมฐานใดๆก็คือกันละในใจโลกธาทุเนี่สมติซักลกสู้ตายรักแบบว่าถืออ๋อในหลวสมาบัตเป็นอันนี้จังว่าเป็นอันนี้จังคือกันมดกาลังกระตอวตว่า ถ้าเนี่พูพนจากกิเด้ครันี่ยพ่นพนจากราคาโทรศั์มหาพน่นถอนออกมาเป็นผู้ทุกทกียวหันี่บเขาสมาธิหรือ่เขาสมาธิพน่นถอนออกมเป็นผูท้ทุัทนนนรนุ่พ่นเขาสมาธิบทจั๊งขินตำแหน่งขินอยู่พนอานมั่นอยู่ธรรมดาสครับพดตำแห น, น, น่งสงบพระวัสมุ่นยาง้อยู่ธรรมดากับดตำแห น, น, น่งพระั่เมันขาดไปแล้วโมเสียดายกลวงระเิดเสียหาเลยคณะกิดเดี๋ยวกรบมวเนี เด็กสมัครมั่งจำอะไรเงาบ่เสียดายถือศาสตร์จะไดอื่นเลยบอเสียดายากจากเฉพาะพุธพัฒน์อารเสารอลับยศอะไรเลยนั่นพุ่งพระด่าวันบอเสียดายจากเรียนอาบายจบูกเลยนั่นพุ่งพระพุด่าวันเสียเสียงเลนเออือยังเสียดายจากเรียนอบายจมกบอม่มงานม่มพร่าวันบอเสียดายจาถือถือศาสตรเลยเอดดีงามดีนามพระพุกธเจ้าหลวงข้าว่าเสียดายจากเอามาแข่งขอดยเพียรนะครบบคแ่ ม่ผู้หายเข้าเขาอยอะบพราะพอสมาวเท่าเมาื่วานเ่เขาเห็ดเข้ามาเห็ดก็ถลุเนื้อน้อยเราต้องแกงหมดทั่อห้อยพระบาทเข้าพวกเจ้าหยีบชนี่พรแหงห้อยพระบาท เ, าเนีเ่ย พ, พระสูตรเด็กจะซื้ออันน้าพระบาทในีพระสูตรก็บ่กับ่าคัดของสุวรรณน้ำมารแกท่วว่าทัสววาสุวรรนมาลิปหนึ่งผูกเขาสุวร น, นวันพฤหนึ่งผวกเขาสุวรณมะปูดหนึ่งแม่น้าน้มานทานย่านหลวงปเรียน ยนละว่ายโยนหกาโยนหน้าากยังไเขาสะกดขัดตัวอลไรยะหนกมุลี่อยเี้ยยะหนกมุลี่โยนนะากะกโยนน้ากากมุลี่หนึ่งมาถือว่าอ่านสีคือสัโยนหนกากเขาสียงเขามายะหนกเขามาเสีเาเสว่ายโยนกะแน่นมันห้อยพรบาดพรอจ้อยเหยียบเส้นอย่างเงี้ยพระศูนย์ยกไปเสะเก่าเสะกระมอมโย่ท่านชินพาวนาเนี่บว่ามันห้อยพระบาทห้เหยียบเส่นี่แต่พระยาจิตลาภแม่นมาสพระพุทธเจ้าตัดยุติพัดอยู่ที่ไหน ค่ะไห่เฮาวาตามพระสูตรถ้ากระบอกว่าพุทธคยาตำบลพุทธคยาเอารุ่เวลาใชรานขบในระหว่างตนโพพุทธคยา่วนโพขมโพเป็นหนาวไปทางกิตวันออกขึ้นหลังใส่ตนโพนางขอหน้าการติดต่อทักปลรมัดด้ฮะติดต่อยังไงครับพระพุทธเจ้าตัดสะดุ้ยใช้ตัดตัดสะดุยอยู่เมืองใจนี่นั่นคือวัฒนะ อ๋อเขาทำไดเหรอทีเตกาเรในข้างนั้นในข้างนี้ทาบาปทาบุญแ่ข้างไหนก็ทําข้างไหนจะยุข้างใจอันตัวใกลใจอันตัวผู้ทอาหมูวนี่ตัหันพระจกรวริงานแล้วพรเสด็จยนต้องมาหาเอกเสดัจจุบัชกาลฉิ่งเพพระสวดบาลก็ต้องยนเมื่อขยายขยายออกจากหนึงอเมื่อยนต์ก็ยนตมาถ้าข้าไม่หน้าข้าไม่เหอนกันใชาตทุกยนองมาหาเอกทุกใณรัจกาลชาติพกะเพืพนา ถาประานยืนยนลงมาห้เอกประธาอกฐานในรัฐบาลถ้าน้ายนลงมาเอกก็อาโพทานในปัุบาลถาไฟยนลงมาห้เอกะเตโช่านในัฐบาลถ้ารมาเพื่อกันขยายขยายออกจาัฐบันเพื่อกันคำว่ขยายขยายกับวัสงสัยยนมากกับว่นสงสัยจังสันแหม่มันจังแม่มอสังขาโหอสังขโหเนี่ยสังขโหแต่ว่าสงเคราะห์อสังขโห้มสงเคราะห์เลยทำความกุญแเกี่าวแล้วนี่สองทำอ่ะทำภายห่อหรือภายใะไรนั่นอัชชัปตาท ทำภายในพระเนธธาทำทำภายนอกอดีตอนาคตกระจัดเห็นทำภายนอกซะอาชปาทำทำภายในก็เอาปัจจุบัตรนะเอาปัจจุบันเป็นพระญาตเอาปัจจุบันรเป็นตัวประกันเนี่ยทั้งส อ, องพระพุทธเจ้เาพระภาวน่าต้องเอาวัตถุบันเป็ น, เ ป, นเป็นตัวประกันเห็นควรถายในวัจจุบันรควตายในอดีตหน้าคตจะไปสงสัยอย่งคำว่าสันกเเห็นี่สนว่าเห็นอน้จังแม้ัจถุบัตัตอันนี้จังใลอดีตนาคตจะไปสงสัยยางคำว่าสันก็หนดสงสัยว่าคำว่าสันกำหน นี die, people, ่นำสันเนควยจมาที่แน่มันมีมันแทงจะของสันที่าันผู้อื่นมาแทงจะของก็ต้องแทงงไรสันมันมาสัตว์เขาจะของแท่งจะของเมื่อแล้วมันมันมีมันไปแต่มันก็สัตว์แล้วันเนี่แทงให้ทังแทงให้จะของสัตว์เห็นทุกนปัจจุบันน่ทุกอดีตอนาคตจะต้องใส่เห็นสัตว์ทุกณปัจจุบันอดีตัอนาคตทัะจะต้องใส่ผู้นี่สทุกคนที่เป็นสัตมันต้องไปแบบนี้เาวางที่ผู้ชนะเฟนโรก็จะทาให้ทรัพยปโตหมดจากี้แล้วหมคือมันทำห้องแล้ว เขาหายเลยอ๋อครับครูบาคาสุดนึ่งแบบสุตนึงมาเก๊กเนี่ยตัวก้อนของเราคราววูาอาจารย์่าคูบาอาจารย์เนี่ยปัญญาคนไหนทำนี่เมื่อเอื่นไปบินสบาสดใส่นักันแต่ละว่าโอ้ยครั